ก่อนโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้นำพระสูตรในติการนิบาตอังคุตรนิกายมาเสนอแด่ท่านฟังก็เป็นธรรมเทศนาอีกแนวหนึ่งที่แสดงค่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งลงไป ก็คราวหนึ่งพระนนลธระได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อที่พระองค์ทรงแสดงว่าพบพบนั้นคำว่ า, าพบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบเป็นสามข้อใหญ่ เอประการแรกคำว่าพบพบนั้นเป็นที่อยู่ที่เกิดที่อาศัยที่ไปที่มาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบางครั้งเราอาจจะเรียกโลกเป็นสถานที่อยู่อาศัยโลกโอกาสชะโลกโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ตำหลักในพระบาลีที่ส่งแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้อยู่มีอยู่เฉพาะโลกมนุษย์เพียงแห่งเดียวแม้แต่เกณฑ์มาตรฐานระดับเดียวก็โลกมนุษย์เนี่ยก็มีอยู่เป็นพันๆลกและเกณฑ์มาตรฐาน ต, าต่างๆที่เราเรียกสวรรค์ชั้นต่างๆส่งแสดงมาแท้ที่จริงมันก็มีเป็นพันๆดวงดาว เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะติดต่อกันด้วยญาณภานะได้แต่ว่าท่านติดต่อกันด้วยกายชิ ด, ต, ดต่อกันด้วยใจล้วก็ไปมากันด้วยริษ์อย่างที่เคยเล่าเรื่องวิมานาวัตถุเปตะวัตถุที่ประโมคคลานะเทระท่านใช้แนวการเทศกับชาวบ้าน โดยการไปเยี่ยมคนซึ่งทำความดีแล้วตายไปเกิดในสวรรค์บ้างตายไปเกิดนรกบ้างทำความชั่วแล้วตายไปเกิดนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างแล้วไปสอบถามประวัติให้เขาเล่ามาจากประสบการณ์ตรงของเขาแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาเล่าอาญาปีน้องของคนที่ตายไปานะฟัง ก็ทำให้ได้ประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายในส่วนดีคนที่อยู่ข้างหลังก็ได้ถือตามปฏิบัติตามในส่วนไม่ดีคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ในส่วนตัวเองก็จะหมดเว้นปากเพราะวิธีการสอนที่สอดคล้องกับพื้นจริตอัธยาศัยของคนจำนวนมาก คนในโลกเรามันก็ระดับมากบางก็อยู่ตรงเนี้ลงในพูดกันแบบธรรมดาธรรมดาสามัญอย่างนี้คำว่าพบที่ยริงส่งแสดงไว้โดยในญาตต่างๆเป็นอันมากโดยสรุปแล้วก็มีพบอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆเปีว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์มีสามกลุ่มใหญ่ๆแต่มันสัมพันธ์กับกลุ่ม คือภูมิจิตหรือระดับจิตหมายความถ้าจิตหยาบพบหยาบจิตปานกลางพบปานกลางจิตละเอียดพบละเอียดซึ่งวันนี้ท่านลองท่านท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคน หรือคนบางบางคนเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจมอมแรมสกรปรกเป็นสาบเป็นสางหึงไม่หมดก็อยู่ได้เพราะภูมิจิตก็เป็นอย่างนั้นเองแล้วก็อยู่เขาได้แต่คนมางคนไม่ได้จะนั่งจะทําอะไรต้องปัดกวาดดูแลสะอาดเรียบร้อยสวยงามแต่งั้นนั่งไม่ได้กินไม่ได้ก็แสดงภูมิจิตเขาประณีต คนพบกับภูมิเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์กันพบจึงเป็นที่สะท้อนออกซึ่งภูมิจิตของคนเ่านั้นท่านก็เรียกว่ากามาวตจารพบกามาพบนะฮะเรียกว่ากามพบคือพบที่สัตว์โลกเหล่านั้นยังเสพกามยังมีคู่ยังมีตัวผู้ตัวเมียมีผู้หญิงผู้ชาย จ่ถ้าแบ่งเป็นระดับก็มีอยู่สิบอ็ดระดับเป็นอบายที่สี่เวลาเรียกท่านเรียกอบายเยภูมินะครับแปลกแต่มันก็เป็นการมาพบาเรียกว่าอบายเยภูมิอปัยยะก็แปลว่าหาความเจริญไม่ได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆ จิตใจว่าดุ้งอยู่ตลอดเวลาเ่ตสัตติจิรฉาเนี่ยจิตนะใจแกก็ว่าดสะดุ้งอยู่ตลอดก็มีนิรยะนรกนรกไรวาเหวบางทีทรงแสดงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับหลุมฐานพเพนลิงหลุมหลาญฐาน่ะหลุมผาาน่านหลุม แล้วถ้าคนตกลงไปในหลุมเผาถ่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะทุกข์ทรมานเดือดร้อนขนาดไหนก็ทรงแสดงให้ดูคนนี้ก็เคยเฉียงกันนะฮะพระยามิดินกับพระนากเษนเวลาพระยามิลินบ่งไปได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงมันร้อนขนาดนั้นสัดั์ลงไปถึงมันก็ตายหมดมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไง มันร้อนพระนาคเสนนั้นอุปมารเรื่องกรรมอยูนี้คือกรรมโดยกําเนิดมันเป็นความส้นเร็จโดยกําเนิดของมันเราหาคําตอบไม่ได้ฮนะแต่เราทดลองได้อย่าไปทดลองบ้าก็ได้มันเหมือนกันนอนที่เกิดในพริกนะฮะกันนอนที่เกิดในปลาเราจะเห็นว่าถ้าเราสลับเอานอนที่เกิดในปลาไปใส่พริกเอานอนที่เกิดในพริกไปใส่ปลาตายหมด เพราะอะไรเพราะว่ากาเนิดมันคนละอย่างกันมันอยู่ในพริกร้อนฉาเลยมันอยู่ได้มันเป็นความสาเร็จโดยกำเนิดมันนอนไม่อยู่ในปลามันก็อยู่ในปลาได้ผลสัตว์โลกเหล่านั้นเป็นความสาเร็จโดยกำเนิดว่าทำไมเขาอยู่ได้เนี่ยเป็นความสำเร็จโดยกาเนิดเราตอบไม่ได้ มันเหมือนกับสัตว์บางชนิดเช่นผูกเป็ดอะไรต่ออะไรก็กินเปลือกหอยเปลือกอะไรต่ออะไรเข้าไปเปลือกไข่และกินได้ย่อยได้เราคืนกินก็ตายพอดีอังาที่เราตัวโ ต, วตวกว่าเยอะนั่นคือความเสพโดยกำเนิด เ, เรียกว่าอาบายภูมิแล้วก็ปีติวิศยะหรือเปรต ชีวิตของเบรดนั้นสงูประมาเหมือนกับคนที่อยู่กลางลานที่พื้นที่บังครุขระและร่มเงาก็ไม่มีร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บผิวก็แสบคือสารพัดอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแต่เขาก็อยู่ได้เป็นกรรมเป็นกรรมยูนิคคือกรรมเป็นกําเนิดเหมือนกับเป็นกรรมมันเลี่ยงไว้นะฮะกรรมมันเลี่ยงไว้ ที่ก็ล่าถึงเปรตอาจย์มักขายกวัดนะฮะดูแลรักษาเงินวัดพอเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดโลคเอาไปหาดอกผลเมื่อก่อนมันก็คืนเข้าวัดนะเข้าวไปทบต้นแต่พอดอกมากๆเข้าก็โลบดอกฮะเอาดอกเอาดอกซืเองนานๆเข้าก็เอาต้นจะด้วย แล้วต่อมามาเกิดประสบความพิบัติภายในบ้านแกลูกชายลูกชายถูกฟ้าผ่าเมียเป็นบ้าลูกสาวหนีตามผู้ชายไปตัวเองก็ชียใจมากแล้วไฟไหม้บ้านบ้านซึ่งได้มันจะเงินกงวัดอ่ะนะไฟไหม้บ้านแล้วแกก็วิบบดิตไปอ่ะนะผ้าผ่อนก็มายอมนุ่ง นอนอยู่ที่ศาลาอยู่วัดตกกลางคืนโอ้โหหวนสยองเลยร้องสยองหมากเสียงน่ากลัวดังไกลโหยหวนและกินอุจจาระตัวเองถ่ายอุจจาระมากินไดไหน้ห้ามไม่อยู่ทําอะไรไม่ได้ใครไม่ใครทําอะไรไม่ได้มอนนะฮะจึงกว่าจะตายไม่ทันตายนะฮะเป็นเปรียดแล้ว นี่คือคือกรรมมันกาเนิดแล้วกรรมมันก็หล่อเลี้ยงเราหาคำตอบไม่ได้ทำไมมันอยู่ได้เนี่ยหือตราบใดที่กรรมยังอยู่ก็ยุ่ก็ได้แล้วอสุรกายก็คือพวกอสุรกายทั้งหลายที่เราเรียกว่าผีเนี่ยตอนก่อนไปไปออกสกายทีวีก็ถามในแนเนี้ยเยอะเลย คนรุ่นใหม่นะก็ะมีโทรศัพท์มาจากบ้านโดยชอบทำปุรกายก็ เ, เป็นพวกอมนุษย์แต่ที่จริงนอกจากมนุษย์คืออมนุษย์นะฮะคำว่าอมนุษย์เนี่ยห ม, มายความานอกจากคนก็คืออมนุษย์ทั้งนั้นนหะคือไม่ใช่มนุษย์อะอมนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์เป็นภาพรวมๆแล้วก็ดีริชานคือสัตว์ดีริชานทั้ลาะ คนนี้ก็ถือว่าเป็นการมาวจรภูมิคือมีคู่ทั้งนั้นนะมีคู่ครองทั้งนั้นมีเพศตัวผู้ตัวเมียนะแล้วก็มนุษย์ก็มีผู้หญิงผู้ชายเทพบุตรก็มีเทพธิดาพวกนี้ก็เรียกว่าการมาวจรภูมิที่อยู่อาศัยของเขาเป็นเป็นการมาพบคือพบที่ยังมีวัตถุกรรมปลนเปลือบำรุงบำเรอยู่ก็มีความประณีตข้ามสวรรค์ที่จริงเขาก็ก็พูดเรื่องการ เรื่องการมาคุณน่นะครับสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศหมายความมาวูาสวยๆเสียงก็ไพเราะกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยสัมผัสก็น่าจับต้องจนชินนะฮะจนท่านชินต่อความความดีงามตรงนั้นเนะ่ เทวดาระดับสูงมาโลกมนุษย์เ่งเขาไม่อยอมมาเพราะกลิ่นโลกมนุษย์ปรากฏเหม็นเข้าจมูกเขาตั้งแต่ร้อยโยชนี่เข้ามาใกล้ร้อยโยชน์ก็เหม็นแล้วมันก็จะไม่มาเวลาม o n k a p พระพุทธเจ้าที่เคยเล่าเรื่องเทวดาพระพุทธเจ้านั้นจะไม่นั่งนะจะไม่นั่งมาถึงยืนปั๊บถวายบังคมถามปัญหาปุ๊บหายปั๊บไปแหละไม่อยู่ละคือทนกลิ่นไม่ไหวทนกลิ่นโลกมนุษย์ไม่ไหว สมัยพระพุทธเจ้านะฮะตอนนั้นพ l l ู t i ่นยังไม่มากขนาดนี้ตอนนี้คงหลายร้อยยนดแล้วเทวดาเลยไม่ค่อยปรากฏในโลกมนุษย์มีแต่สัตว์นรกเยอะก็พวกนี้เขาเรียกว่ากามพบแล้วมันจะประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจะประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าบางทีการสแสวงหาวัตถุ ก, กามของเทวดาชั้นเจ้าตูมาราชั้นดาวดึงก็มีทะเลาะรบร า, าคาฟันกันก็มีนะฮะ อย่างเช่นเรื่องเทวศูนย์สงครามพระอินแย่งออนางสุชาดามาจากเวปจิตติอสูรเนี่ยแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่เยอะในเรื่องวัตถุกรรมือยังยือแย่งวัตถุกรามกันแต่พอภูมิจิตมันสูงขึ้นพบมันประนีตขึ้นเนี่ยกิเลสมันมันมันมันน้อยลงเพราะจะมีความสุขขุมขึ้นไปโดยลำดับปัญหาระดับ เทวดาสี่ชั้นข้างบนเนี่ยยังไม่เคยพบในตำนานะฮะว่าท่านมีปัญหาอะไรบ้างว่าจิตใจท่านประณีตแต่ก็สรุปว่ยังเป็นกามาภพอีภพหนึ่งก็เรียกว่ารูปปบภพเป็นภพที่คนมีรูปแต่ไม่มีเป็นไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายมีขันห้าเหมือนกันนะที่เราแผ่เมตตามีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ นะตรงนี้ถ้ายิงยังมีขันห้าทั้งหมดนะฮะโกปกามะโกประโกรูปโปภพยังมีขันห้าทั้งหมดไม่มีเรื่องเพศเพราะว่ากิเลสมันสงบไปมากมันเหมือนกับคนที่จเจริญสมาธิกรรมาฐานเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเองโดยอัตโนมัติคือมีความรู้สึกร่วมกันเอง ไม่พอใจไม่ยินดีในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพราะในที่นี้จึงไม่มีไม่มีผู้หญิงมีแต่เป็นผู้ชายนะฮะมีแต่พรหมผู้หญิงเกิดเจริญได้ฌ า, านก็เกิดเป็นผู้ชายนะเกิเป็นพรหมแล้วก็มีความประณีตตามชั้นจิตชั้นจิตในชั้นจิตมันจะมีรายละเอียดของมันคล้ายๆกราเรียนชั้นหนึ่งเนี่ย มีเกรดเอกบเกรอะไรดีอะไรอะไรนี่ฮแล้ว ย, ยัง A อบวกบบวกอะไรอะไรว่ากันไปมันก็เป็นชั้นๆหมายความว่าเวลาเรานั่งสมาธินี่เราจะเห็นว่าเช่นสมมุติเรานั่งสมาธิได้สงบบางคนก็สงบสงบหยาบหยาบบางคนก็สงบลึกกว่านั้นบางคนก็สงบออกมากๆนี่ยก็แสดงว่าสมาธิด้วยกันแต่มันคุณภาพจิตต่างกันตัวสมาธินี่ต่างกัน ก็สงบวิเลได้มากน้อยกว่ากันก็ทําให้เวลาท่านตายไปเกิดในภพเนี่ยเพราะวันท่านกับปาณิษปณีิไม่เหมือนกันท่านจเรียงลำดับเราเห็นความยิ่งใหญ่แตกต่างกันเช่นว่าท่านตายโดยภูมิของปฐมฌานท่านได้ปฐมฌานเนี่ยนั่งสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานได้ปฐมฌานสงบนิวร์ได้นะฮะไม่ไม่ถึงกลานนิวรณ พอระดับนี้วอนได้ก็เป็นพระหันไปแล้วนะระดับหมดนะฮะท่านแบ่งเป็นชั้นแรกก็คือว่าหยาบปฐมมิจฉานหยาบก็เรียกว่าพรหมปริสัชชะคือบริวารพรหมระดับที่สองเขเรียกว่าพรหมปุโรหิตาคือเป็นที่ปรึกษาของพรหมเป็นอาจารย์ของพรหมเป็นปุโรหิตของพรหมแล้วก็มหาพรหมมาเป็นมหาพรหมก็เรียงกันไปเรื่อยๆบางทีก็กําหนดรัศมี นะรัศมีเช้นอาพัตราเนี่ยอาพัตราจริงชื่อพรมนะฮะชื่พรมแปลว่าซาน ร, รัศมีรัศมีโพรงสวยงามมากเป็นรัศมีเรืองแสงกําหนดรัศมีมากรัศมีน้อยรัศมี เ, เรืองแสงโพรงอะไรเนี่ยก็ดูวัดกันนะฮะวัดโดยเกรดอย่างเงี้ยก็ดูเกรดกันอย่างเงี้ยเป็นชั้นจิตแล้วก็เป็นพบที่อยู่ของท่าน ก็มีทั้งหมดนี่สิบสองชั้นไม่ใช่สิบสองชั้นสิบเอดชั้นนะฮะสิบอ็ดชั้นแล้วท่านที่ได้สมาธิตรงนี้ได้ชาติตรงนี้ถึงจุดหนึ่งในบางทีท่านก็เข้าสมาบัติแล้วก็ดับในสมาบัติคือตายในสมาบัติสมาธิที่บางคนที่เขาฝึกอย่างแนวที่เขาฝึกวัดมาธาต น, นะฮะ ก็มานั่งที่นี้บ่อยเนี่ยฮะวันที่ห้าธันวาองค์ยังมาอี ก, ก น, นะมานั่งไอย่างเงีทีเขานั่งตลอดสี่สิบแปดชั่วโมงสองวันสามวันในตัวแข็งนิ่งเนี่ยเหมือนกับท่อนไม้นั่งสมาธิแบบนั้นวันเนี่ยวันดับมันเหมือนจะรู้มันก็ท่อนไม้ก็ท่อนไม้ท่อนหนึ่งไม่มีความหมายเลยไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วทั้งก็ตายไปอย่างนั้นมันก็เป็นพรหมที่มีขันหนึ่งเรียกอสัญญีสัตตาคือมีขันเดียวสงบอยู่นานนะแล้วก็พอโมดบุญตรงนี้ก็เสื่อมนะก็เสื่อมก็กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกก็หมุนวนทั้งสารวัตรอีกและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่มันประนีขึ้นไปอีกห้าชั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของพระนาคามีฮนะไม่ได้เกี่ยวกับพวกพรุมเป็นพระนาคามีที่เป็นพระยะบุคคลชั้นสามเรกวที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์มันกำหนดด้วยคุณภาพของศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาห้าอย่างนะห้าอย่างนี้แต่และอย่างเนี่ยเช่นศรัทธาแก่กล้ามากจะบังเกิดเป็น ในสุทาวาสชั้นแรกของเราคุ้นกับคำว่าอาการนิตภพนะในวรรณคดีก็เรามีอาการนิตภพอยู่ด้วยเป็นภพสูงสุดของรูปของของของรูปภพพรมและต่อไปก็เป็นพวกขันสีคืออารูปภพพรม ท่านเหล่านี้จเจริญกรรมฐานเรื่อยไปจนเลิกสนใจในตัวรูปจิตใจจะอยู่ด้วยนามนะด้วยสิ่งที่เป็นนามแล้วก็ไม่คล้องติดอะไรคือในความเห็นก็ท่านในโลกมันไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะไม่ใช่ไม่มีไปเลยยังยังพระพุทธเจ้าพระหานั้งหลายนี่ท่านเห็นว่าไม่มีอะไรเลยมันเป็นการเกาะกูมเงินเฉยๆแล้วก็ไม่ยึดมัน่นหรือมัน เป็นการสละได้ด้วยปัญญาแต่ท่านเหล่านี้สละได้ด้วยความสงบคือคือไม่เป็นสนใจมัน่รู้สึกว่ามีมีก็ไม่เชิงไม่มีก็ไม่ใช่อะไรตอนนี้นะแล้วถ้าท่านฌานท่านไม่เสื่อมพวกนี้เสื่อมได้นะฮะพวกนี้เสื่อมได้ประชานไม่เสื่อมท่านก็ตายเป็นเกิดเป็นอรูปภพภมพบที่อยู่ก็เรียกว่าอารูปภพ เป็นพรหมไม่มีรูปเป็นกลุ่มนามธรรมล้วนๆมีขันนี่เพียงสี่ขันคือเวทนาสัญญาสาังขารวิญญาณไม่มีรูปทีนี้ที่พระอานนท์ท่านท่านกราบทูลถามเนี่ยท่านกราบทูลถามว่าพบที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไ ง, ขงเขามาพบพบเตี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นการตอบปัญหาในแนวตั้งปัญหา ตั้งคำถามซ้อนเข้าไปแล้วให้พระอนุ์ตอบแล้วพระองค์อธิบายต่อนันถามอานนว่าถามพระอนุลว่าอานุน์ถ้าว่าไอ้กิเลสอย่างหยาพูดง่ายๆนะฮะกิเลสอย่างหยาแต่ท่านแต่ว่าท่านตีว่าธาตุอย่างหยาหมายความว่า จิตใจที่อยากหยากเนี่ยถ้าตรงตรงนี้มันยังไม่มีอยู่ในการเกิดในภพจะมีได้หรือไม่พระนรนบอกมันมีไม่ได้แต่พระดนรนท่านเป็นประยะบุคคล น, นนะนฮะท่านตอบได้พระเจ้ารับสั่งว่าเช่นเดียวกันกรรมนั้นเหมือนกันเนื้อนา คือการกระทําทางดีทั้งชั่วของคนนะเหมือนกับ น, นาหรือเหมือนกับดินหรือบุญเหมือนกับอุณหภู ม, ม, มิที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการงอกของพืชเนี่ยวิญญาณเปรียบเหมือนหน่อของพืชกิเลสตรงนี้จะคำว่าตันหาเปรียบเหมือนยางเหนียวภายในพืชพูดง่ายว่ากิเลสนะฮะเปรียบเหมือนยางเหนียวภายในพืชถ้าสามอย่างนี้มีอยู่ สามอย่างนี้มีอยู่มันก็สร้างขึ้นมาเป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณนะวิญญาณที่ถือกำเนิดวิญญาณที่ไปถือกำเนิดเนี่ยวิญญาณหยาบคุณภาพาบัญญาบคุณภาพของวิญญาณหยาบมันก็ไปเกิดในภพในภูมิที่หยาบ เราดูอะไรอะฮะดูอะไรก็ได้น ะ, ะจริงดูแค่ได้รถรถสัญมในการฟังเพลงก็ได้นะฮะเพลงบางเพลงนี่เต้นกันเหมือนกับคนบ้าเลยโอ้เงือโชคมันก็มีฮะใจอยาบมันก็ชอบอย่างนั้นเนี่พวกร็อกพวกเลิกอะไรตัวนี้เต้นกันเหมือนกับเป็นอะไรไปไม่รู้แต่ก็มีคนอนะมีคนประเภทนั้นอยู่ แล้วไม่รู้เป็นศินละปะตรงไหนแต่สมบัตเขาคงก็เป็นศิลป์เขานะฮะเป็นศิลป์ของๆนั่นคือสภาพจิตมันมันวัดสภาพจิตคนได้เลยว่าแม้แต่รสสัมผัสในการฟังเพลงรสสัมผัสในอาหารรสสัมผัสในทางที่อยู่ในที่จริงมันวัดสภาพจิตของคนหรือภาษาที่ใช้เนี่ยมันสะท้อนจิตของคนที่โบราณนั้นพูดว่าสมเด็จสอภาษากริยาสอสกุลกายสมบูรณ์สออาหารอะไรอะไรเนี่ยเทียนว่า มันจะทอนกลับสะทอนกลับไปดูที่สภาพจิตภูมิจิตมันสะท้อนถึงพบคือที่อยู่ของจิตเพราะกิเลสหยาบก็ทาให้กรรมมันหยาบกิเลสหยาบกรรมก็หยาบกรรมก็หยาบตัววิญญาณก็หยาบเราลองดูง่ายๆตรง น, นี้ก่อนดูในในใ น, ในชีวิตประจำวันเนี่ยดูถ้า ถ้าจิตใจเราปกติเนี่ยเราจะด่าคนได้ไหมมันไม่ด่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสไม่ห ย, ยาบกรรมหยาบมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะยังไม่โกรธนะแล้วต้องโกรธนะฮะต้องโกรธแล้วโกรธแรงพอตรงควรจึงจะด่าได้น อ, อกจากว่าคนคนสันดานหยาบไอ้สันดานหยาบก็พูดยากนะมันนึกดา่ดาได้ทั้งนั้นความโกรธต้องแรงแล้วจึงจะด่าได้ ทีนี้ถ้าพอเราจะดาเนี่ยเขาเกิดสํานึกเขายกมือขอโทษเขาทาหน้าตาละค่อยความโกรธมันลดอ่ะเกิดด่าไม่ได้อีกละนี่แสดงว่ามันจะต้องหยาบตอกันไปกิเลสต้องหยาบการกระทําจึงหยาบเพราะจิตวิญญาณของเราในขณะนั้นมันก็หยาบการกระทําจึงหยาบการพูดจึงหยาบอาการหยาบทั้งหมดก็สะท้อนสะท้อนจิตของคน ที่ท่านสังเกตที่ท่านพูดเรื่องจิติการเดินเนี่ยก็สังเกตจิติคนได้นะฮะการเดินการเขียนหนังสือการรับประทานอาหารการนุ่งผ้าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยสังเกตจิติได้ทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์บางคนก็สังเกตรูสิแต่การดูลายมือมันสอลักษณะนิสัยเพราะเป็นการสะท้อนมาจากภูมิจิตของเธอ จิตขอเธอเป็นยังไงการกระทำของเธอก็เป็นอย่างนั้นการกระทำของเธอเป็นไงจิตวิญญาณของเธอก็เป็นอย่างนั้นมันก็กลายเป็นภพที่หยากเราเห็นว่าคนที่ตกนรกเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ติดคุกมาเกิดไปตั้งบรราถามนักโทษลาดยาวสมัยสมัยโน้นนะฮะสมัยศูนย์สี่มันมันก็เยอะคนก็เยอะ แล้วตอนตอนนั้นเขาไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดก็ได้ดดจับในฐานะอันธพานเพราะไม่เราไปอบรมเนี่ยแทนที่เราจะอบรมเราจะนั่งคุยจะนั่งคุยจะตั้งปัญหาถามจะตั้งปัญหาเขาคิดแล้วเราก็ค่อยถ้าเขาอธิบายได้เราก็เสริมให้นะถ้าอธิบายยังไม่ได้เราก็ตั้งปัญหาซ้อนๆเข้าไปนะเพื่อเขาคิดพอาถามมาลาดยาวเนี่ยคุณลองสังเกตว่าใครสร้าง ใครเป็นคนให้มีลาดยาวขึ้นให้มีกำแพงให้มีอะไรแต่ออไรเนี่ยแล้วก็ไปไหนไปไหนไปไหนส่วนมากมันตอบจอมพลสริทธ์บอกไม่ใช่หละพวกคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่ทำกรรมอย่างนี้เหตุที่ต้องจับคุณมาไว้ในที่นี้ก็ไม่มีเมื่อไม่มีเหตุมันก็ที่นี้ก็ไม่จําเป็นจะลองสร้างขึ้นมาเป็นคุกคือขัของคน ตรงนี้เราจะเห็นว่าภพมันก็สร้างขึ้นมาจากกิเลสสร้างขึ้นมาจากกรรมของคนแล้วก็สร้างมาสร้างมาเป็นเป็นวิญญาณพอวิญญาณประดิษฐานตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากจากจากความหยาบจากความหยาบของของกิเลสกับของกรรมก็ทําให้ภพภูมิของคนอยาบนะอย่าง ยาที่มีปัญหาถามซึ่งเคยเล่าฟังในจุละกะม็มาไปฟังกันสูตรที่สุพระมนุถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนบางคนเกิดมาผิวพรรณดีบางคนมีผิวพรรณไม่ดีบางคนร่ารวยบางคนยากจนบางคนสติปัญญาดีบางคนสติปัญญาไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเป็นคุณภาพของกิเลสของกรรมของวิญญาณสามอันรวมกันนั่นนะ ผิวพันธุ์ไม่ดีก็เพราะเป็นคนมักโกรธผิวพันธุ์ดีก็เพราะจิตใจผ่องใสมีเมตตากรุณาเอาเื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่ต่อคลอื่นเกิดมายากจนก็แสดงว่าขาดน้ำใจเอเื้อเฟื้อต่อคนทั้งหลายเกิดมาร่ำรวยก็เป็นคนอินดีช่วยเหลือสองเคราะห์บุคคลเราอึดเกิดมาไม่สักดาสูงสักดาต่ำสักดาสู ง, ส ก, สส nam, สสงก็เกิดมาเพราะว่า มีมุทิตาเพื่อเพื่อนยินดีในความดีของบุคคลอื่นเกิดมาศักดาต่ำก็เพราะทิศยะในความดีของบุคคลอื่นปัญญามากก็เพราะเข้าไปหานักปราชญ์ศึกษาแล้วเรียนมาสะสมปัญญาเอาไว้ภายในใจก็เรียกว่าถ้าสมสูร ม, มากๆที่ก็เรียกว่าฝรั่งก็เรียกว่ากีปเรียกผ่อนสวัสด์ฝรั่งว่าผ่สวรรค์แต่เราไม่ได้บอกผ่อนสวรรค์เราถือว่ากรรมเขาดีนะกรรมที่เขสร้างมาดีนี่แสดงว่ากิเลสเขาน้อย เพราะว่าปัญญาที่สร้างมันไปทําลายตัวอวิชชาทําให้โลภน้อยลงโกรธน้อยลงเวลาเขาเกิดมาเนี่ยพบภูมิเขาก็ประณีตแม้จะเกิดเป็นมนุษย์แต่ภูมิจิตเขาก็ประณีตเพราะเขาเริ่มมาจากภูมิจิตที่ประณีตคล้ายๆกับ น, น้ำข้างบนมันสะอาดดีมันไหลลงมาถึงน้านนําเจ้าพญาน้ําก็ยังสะอาดอยู่แต่ไม่แน่นะตัววันโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งน้ําสโครกไปเยอะ อุปมายากแต่แล้วถู ก, ถกวัดในอุปมาต่างๆธรรมชาตินอุปมายากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนน่ะมอมก่อนมันมีปัญหาเยอะตรงนี้เราเราจะเห็นว่าพื้นฐานสําคัญที่ไปสร้างสภาพของชีวิตของคนเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมเป็นดัวจำแนกแบ่งแยกถ่าถารรมกรมาจากหลมาจากกิเลสมากหรือน้อย หมายความ่าบาปนั่นเองนะฮะบาปมากหรือบาปน้อยก็ทําให้คนถ้าบาปน้อยก็แสดงบุญมันมากความโน้มเอียงจิตใจของบุคคลก็จะฝ่ายในเรื่องของความดีอย่างที่เยยกตัวอย่างว่าคนที่มีพื้นเพ จ, จริตรัตยาสัยที่ต่างกันแล้วเราไปไว้ในที่เดียวกันพอแกออกไปจากที่นั้นแกก็แยกย้ายกันเองตามพื้นฐานของแก เดีวไม่อยู่ร่วมกันหรอกแล้วไม่ไปด้วยกันด้วยนะจะไปด้วยกันเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปตามพื้นฐานที่เก็บสะสมมาไว้นั่นคือกรรมมันจำแนกมันอยู่ทในจิตวิญญาณของเขามันเสพฟุ้นเรื่องเหล่านั้นนะคนหนึ่งชอบกินไปเจอพัตตาคารก็แวะพัตตาคารคนหนึ่งชอบอ่านหนังสือมีร้านหนังสือเยอะก็แวะร้านหนังสือคนหนึ่งก็แวะสั่งสรรพสินค้าอะไรต่ออะไรเนี่ย มีคนเขาพูดนะฮะว่าต่อไปในเป็นศาสนาสรรพสินค้าเป็นแฟชั่นเป็นค่านิยมคนแก่ก็นั่งรถเข็นไปสูดอากาศเป็นพิษในห้างสรรพสินค้าเด็กๆ ก, ก็ใส่รถเข็นไปสูดกลิ่นพิษในห้างสรรพสินค้าแล้วก็เติบโตขึ้นมากับพิกลนะ น, นะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ก็สรุปว่า เป็นชีวิตที่มีปัญหามากๆเพราะคนจะขาดการควบคุมจิตใจตัวเองแต่ว่ามุ่งที่จะแสดงความเด่นความดังความมีความเป็นประกวดประคันกันนะยุคแฟชั่นโชว์นะครับตรงนี้ก็คืออะไรก็คือกิเลสมันไปเพิ่มขึ้นนะทำให้กรรมเนี่ยการการกระทำมันก็ไปตามกระแสกิเลสจิตวิญญาณก็ถูกเก็บสะสมมายอย่างกัน ไอ้สิ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม น, นะฮะก็กลายเป็นความถูกต้องดีงาม น, นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าสังคมไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่มีการเกลีดการกลีดการอย่างนั้นอย่างนั้น่ะก็เรียกว่าคุลสตรีเรียกว่าสุภาพบุรุษกุลบุตรกุลธิดากุลสตรีไม่มีกลียดการเวลานี้กรียดการทาไม่กรีดก็ไม่แน่จริงต้องกรียดหมดเลย นะบางทีหวงออกก็ยังกรีดนะไม่รู้จะทำํำยังไงเหมือนกันแหละนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นวันเนี้ยมันก็กิเลสก ร, รมบิน ญ, ญาตนะิดูกันดูกันจัดจะตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องไปดูชาติหน้ากันกระดาษกระดูตัวนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้สารอย่างเนี่ยเรารับเชื้อตรงนี้มาก ร, ารับเชื้อเพิ่มกิเลสมากในแต่ละวันเนี้ยก็ทําให้กรำร ม, มันก็หยาบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ จิตวิญญาณนะฮะมันก็เก็บสะสมสิ่งตรงนี้เอาไว้ทำให้สร้างความโน้มเอียงความชื่นชมยินดีความพอใจสยบติดอยู่ในสิ่งนั้นๆตัวนี้ก็ทำให้เกิดในพบในการมาพบทั้งทั้ทั้งทั้งสิบเอ็ดประเภทอย่างที่ว่านะฮะก็หยาบมากหรือหยาบน้อยหมายความถ้ากิเลสมากพบภูมิจิตยิ่งต่ำพบที่อยู่ก็ยิ่งต่ำ เราลองดูเหมือนกับคนที่โกรธมากโลภมากหลงมา ก, ก, มากประกอบอัจฉยกรรมแรงนะฮะภูมิจิตแกต่ําก่อนทาให้กรรมแกรุนแรงจิตวิญญาณแรงแล้วก็ต้องจับเราติดคุกยิงเป้าเลยอยู่บางขวางเลยข้างห้งองมืดเลยนี่ไอ้ภาพมันชัดมากคือเราเห็นได้ชัดว่าไอ้นี่ที่จริงมันก็มาจากจิตจากจิตของแกที่แรงบางทีก็เด็กอย่งสยองอย่างซีอุยเนี่ยพูดตะวันอย่างสยองนี่นะ นะมันก็แสดงว่าจิตวิญญาณมันเลวร้ยรายม า, มากๆเลยนะคนไปผ่าท้องคนมากินตับเนี่ยโอ้มันนกก่ากลัวมากเลยโลกก็ไม่รู้เป็นยังไงหลงก็ไม่รู้เป็นยังไงมั น, ม, นมันมืดบอดไปหมดเพราะงั้นเราเรามาดูตัวอย่างใกล้ๆแล้วขยายตัวนี้ที่จริงพุจะขยายไปดูว่ามันมันไปถึงโลกหน้าอย่างนี้แต่จริงๆเราสัมผัสได้ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราในพฤติกรรมของเราก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกิเลสฮะและปริมาณของกรรมเป็นตัวสร้างตัววิญญาณให้ประฏิสถานอยู่อย่างนั้นนานๆ น, นานหรือไม่นานนะฮะก็แล้วแต่ประการต่อไปก็ส่งแสดงว่าไอไ อ, ไ อ, ไอไวินทัดทัดอย่างอยากทรงใชก้กรรมมาตัทาทอย่างอยาก ไม่ใช่ธาตุอย่างกลางนะฮะถ้าหากว่าธาตุอย่างกลางไม่มีอยู่นะการปฏิสนธิในรูปประพบจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ปราณนก็ตอบว่าไม่ได้แล้วสั่งอธิบายแนวเดิมแต่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสภาพาตติดต่อย่าลืมว่ายังมีอวิชาอยู่่าแหละถ้าไม่มีวิชา ก, ก็ไม่ต้องเกิดแล้วมีเฉพาะปร า, ารานันเลงที่ไม่มีวิชา ระยะบุคคลทุกระดับมีวิชาทั้งนั้นยกเว้นพระอระหันต์มีคนสามพวกที่ไม่มีวิชาคือพระอระหรันต์พระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าและรวมแล้วเป็นพวกเดียวก็เรียกว่าพุทธบุคคลนะฮะพุทธบุคคลถ้านอกจากนั้นแล้วก็มีวิชาทั้งนั้นเมื่อมีวิชามันก็ต้องเกิดอวิชาจึงเปรียบเหมือนยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชกิเลส คือก ร, รมนั้นเปรียบเหมือนกับเนือน้อหนาอวิชาเปรียบเหมือนอยางเหนียวอยู่ภายในพืชวิญญาณก็เปรียบเันหน่อของพืชท่านลองสังเกตนะฮะพวกนี้ขาดอย่างเดียวไม่ได้นะ่ะไม่งอกอะ่ะสมมติว่าพืชมียางเหนียวแต่เพื่อนไปแทงตัวหนอ่อไปแล้วอย่างที่เราของไปส่งพืชไปส่งต่างประเทศเนี้ยทำลายหน่อหมดเลยก็ไปปลูกก็ไม่งอก เอาไปกินนะฮะเอาไปให้กินไม่ใช่เอาไปให้ปลูกเกิดจริงจริงก็คับแคบนะความคิดตัวนี้คับแคบเราก็ลำบากนะมันคิดเรื่องเศ ร, รษฐกิจเรื่องสังคมอะไรอะไรมันคิดเต็มอีกเยอะก็หรือว่ามีมีหนอนะแต่ยางเหนียวหมดแล้วหนอมันก็ต้องแห้งตามไปด้วย หรือมีพร้อมทั้งสองอย่างอย่างเหนียวก็มีหนอกก็มีแต่เอาไปแช่แข็งไว้มันก็งอกไม่ได้เหมือนกันเพราะฉนั้นต้องมีครบสามอย่างจึงจะงอกขึ้นมาได้ในชีวิตของคนเราก็จะมีลักษณะอย่า ง, ง, น, งนั้นเพราะคุณภาพของธาตุตรงนี้เชื้อตัวงนี้หมายความว่าถ้าคนสามารถปฏิบัติให้จิตใจสงบจากความรุนแรงของกิเลส หรือไม่ใช่หมดกิเลสแต่ว่าลดความรุนแรงของกิเลสลงไปเป็นการสงบระดับสมถะกรรมฐานมหมาความามัารฉันมีแต่ก็สงบความคิดระดับการฉันให้ไม่ให้เกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจก็แบบให้ตกตะกอนนะฮะจะทให้ตกตะกอนไปไม่มีอะไรมากระทุ้ง ไม่มีอะไรมากวนแต่ก่อนนั้นก็ไม่ขึ้นมาใจก็สงบอยู่ความโกรธความพยาบามก็คงมีแต่ไม่ถึงกับอาฆาตพยายามความโกรธก็เป็นเชื้อเป็นธาตุอยู่แต่แล้วคุณภาพตรงนี้คุณภาพน้ําอย่างเนี้ยน้ําที่ตก ต, กตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยตะกอนอยู่ข้างล่างมันก็ดื่มก็บรรดได้ือใช้ได้ก็จิตก็ใช้งานได้ระดับหนึงเป็นจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่ได้ฌาน แต่ถ้าเหล่านั้นก็ไปเกิดแต่มันตายตัวนะเราจะเห็นว่าที่ยุ่งมากเนี่ยคือคือคือพวกพวกสิบเอ็ดชั้นนี้เท่านั้นเองไปส่วนส่วนยี่สิบชั้นข้างบนเนี่ยนะฮะทั้งหมดเป็นสามสิบอ็ดนะฮะทั้งหมดสาสเอ็ดชั้นที่ยุ่งมากที่สุดก็คือสิบเอ็ดชั้นข้างล่างพวกกรรมมาคบไปนะหมายความพวกนี้คติไม่แน่นอน เราใจเห็นที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในหมากำไม่ฟังกระสุดตอนนี้พระเจ้าท่านฟังรายการดยานเกาะหรือเปล่าเฮ้ยพระเจ้าตีนเกาะที่รักษาดินแดนตอนสามทุ่มอาจารย์ขารพุทธมากำลังบรรยายเรื่องกรรมเราคงจะไปไปโน่นฮะแถวเดือนมกราเนี่ยจะนึกจะเข้าสงสารวัดเนี่ยนะเมื่อจะเข้าสงสารวัดจะนําท่องวิมานท่องดูเรื่องนี้ ว่าไปเรืร่อยๆเลทาวิสาขาเลยเอาเฉพาะเรื่องการกรทางส า, ารวัตรเนี่ยนะว่าสักสี่หเดือนหเดือนเอาสัก6เดือนก็คราวหนึ่งประมาณ23ามนาทีไปทำให้เป็นชุดก็เห็นคนติดต่อไปทางสถานีจะขอลอกพิมพ์เพระพิมพ์ไม่ไหวไเราเล่มบเล่มก็มเป็นตอนๆนะฮะเป็นตอนๆที่อธิบายตอนตอนลำดับ เรียกวัยคนรวบไปฟังได้เด็กก็ฟังได้พูดไปทีละตอนง่ายๆเอานิทานตัวอย่างอะไรอะไรข้าบมาเทียบเคียงให้ดูเพราะนันใช้เวลานานาในตรงนี้พบท่านแน่นอนถ้าธาตุขนาดกลางเนี่ยนะพบแน่นอนเพราะว่ากิเลสไม่หยาบมากมั น, เ ป, นเป็นแบบตกตะกอนตกตะกอนเหมือนกระน้ำตกตะกอนเราดื่มได้ทันทีข้างบน แต่ว่าระดับระดับข้างล่างระดับกุศลทั้งหลายที่เราทำเนี่ยทานศีลทั้งหลายเนี่ยนะถ้ายังไม่ถึงภาวนาเนี่ยมันไม่เคยแน่นั้นชีวิตมันไม่แน่คือใจมันแกว่งได้มันสับสนได้คนเราที่ทำความดีอยู่ในขณะปัจจุบัน ทรงแสดงว่าตายไปแล้วไปเกิดในนรกก็มีไปเกิดในสุขติก็มีทีนี้อาการไปเกิดในนรกมันดูมันมีลักษณะขัดแยง้งแต่ยิ่งกรรมเรามันไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้มันมีชาติก่อนๆมันตามกันมามหาศาลตามกันมาเป็นกระบวนการของกรรมที่ส่งอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อตามมาเป็นฝูงนะตามมาเป็นฝูงหละ เอ้ก็เรื่องเหล่านี้แปลกนะฮะวันวันก่อนมีคนที่เขาส่งอะไรเราไม่ควรอิ่มนี่พระองค์หนึ่งนะเขาเป็นทหารที่ปราบผ ม, มนี่ก็ฆ่าผมนี่จังเลยองเ น, นี้ยเป็นร้อยแล้วคนนี้พอเห็น ป, นปักอุ้พระองค์นี้ทําไมผีตามเป็นฝูงเลยแกไม่รู้จักนะฮะแกไม่รู้จักแกบอกอุ้พระองค์นี้ผีตามมาเป็นฝูงเลย ถามว่าทำไมมันจองเวนนะะแกบอกจองเวนพระองค์นี้จะเอาตัวรอดต้องเข้าป่าทำกรรมาฐาน้ไม่งั้นจะตายมันตามามาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะเป็นพวนเลยเดินตามกันมาเนี่ยก็เก่งกันนะนะ ก, ก, ก, ก็ตอบได้ ก, ก, ก็บอกได้อันนี้ก็คือกรรมมันมีลักษณะตามมาที่โบราณเราเรียกเจ้ากรรมนายเวนนะนะเจ็กกรรมนายเวนอย่างนีแต่พุทธเจ้าจะจ ะ, จะไม่ตอบในแนว น, นั้นจะตอบในแนวที่ เราทําในเป็นหลักจะไม่ตอบในแนวบุคคลมาแนวตัวผลที่จะที่จะให้ผลแก่เราดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เพราะงั้นบางจีเนี่ยเราทําดีในชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าก่อนจะดับเนี่ยกรรมชั่วในอดีตมาให้ผลก็ได้ทําให้เราตายไปเกิดในนรกหรือว่าจิตมันเกิดเศร้าหมองขึ้นก่อนดับจิตก็ได้ตายเกิดนรกได้ กรรมดีก็ต้องยกยอดไปให้เพราะในกระบวนการของกรรมทีม่ท่านแสดงไว้สลับซับซอ้อนเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยเราดูง่ายๆมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนเราเรียนหนังสือชั่นนี้ชันานดีมากเลยพอถึงออกข้อสอบเผลอ น, นึกไม่ออกตัวนะสะดุดกึกนึกไม่ออกขีดปั๊บก็ไป เ, เขียนผิดเขียนผิดพอออกมาข้างนอกนึกออกเห็นไหมฮะมันก็ผิดแล้วอ่ะมันผิดแล้ว ผิดไปแล้วเรียบร้อยไปเลยก็ถ้าจะสอบมัก็ว่ากันใหม่แต่ตรงนั้นมันผิดแล้วนะตรงนั้นมันผิดไปแล้วความรู้เหล่านั้นมีอยู่แต่บางทีมันก็เกิดเผลอได้นะเกิดพลังไปได้เพราะเราไม่สมบูรณ์หรือว่าคนที่ทําทำดีทำชั่วนะฮะอาจจะบังเกิดในสุคติก็ได้การเกิดในสุคติอาจจะเกิดด้วยกรรมในอดีตมาให้ผลหรือกรรม ก่อนจะดับจิตจิตมันเกิดป่องเข้าขึ้นมาจิตมันเกิดสงบขึ้นมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวขณะเดียวนั้นเองนะเรไปแล้วเพราะอันมันก็คล้ายๆกับเราเราชํานาญถ้าดลสายเนี้ยนะขับรถถูกอยู่ทุกวันเลยวันนั้นเผลอเลี้ยวผิดแป๊บเดียวเดียไปเลยนะยิงพวกไเว้แล้วเรียบร้อยนะไปกันหลายกิโลเลย <c oughs> นี่คือภาพที่เราเห็นได้ ว่าจริ ง, รงๆแล้วมันเป็นเรื่องขณะขณะขณะขณะความพลังพลาดบ้าอาจจะเกิดในขณะแต่ว่าคนพวกนี้จะมีเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มที่อยู่ในกามาวัจรภูมิเท่านั้นไม่แน่นอนอนิยายม่ได้เลยนะอนิยายม่ได้เลยแต่ธาตุระดับที่ธาตุคุณภาพธาตุมันอยู่ระดับกลาง หมายความว่าจิตมันสงบจากนิวรณแล้วกิเลสไม่หยาบมากเกินไปก็แสดงว่ากรรมก็ไม่หยาบนะวิญญาณก็อยู่ระดับกลางทั้งหมดแล้วพวกนี้แน่นอนเขาจะไปเกิดตามตรงนั้นไปเกิดตามเนี้ยเกิดตามฌานนีัได้ลงตัวเลยแต่ว่ามีเข้แม้ฌานอย่าเสื่อมนะว่าฌานเสื่อมได้นะฌานเสื่อมได้ มีสิ่งที่ไม่เสื่อมคือพระโสดาบันขึ้นไปัต่นั้นนอกนั้นเสื่อมได้ทั้งหมดมีพระยบุคคลสามจำพวกเท่านั้นเองความดีที่ท่านทำได้และไม่เสื่อมนอกนั้นเสื่อมได้ทั้งหมดเพราะงั้นจุดตรงนี้ก็แสดงว่ากิเลสที่สงบระดับระดับนิวรณนได้นะก็ทาให้กรรมละเอียดขึ้นคนประเภทนี้แม้จะพูดคำหยาสักคำ คือมันฟังก็ฟังไม่ได้นะฟังก็ฟังไม่ได้ถ้าแต่หลายลองสังเกตลองสังเกตดูก็ได้นะเวลาตรงไหนว่างๆนะเอาหนังสือธรรมะสักเล่มโตๆหน่อยมาอ่านหรือฟังฟังหนังสือฟังฟังเทปธรรมะที่อธิบายดีๆเนี่ยสักห ล, หลายชั่วโมงแล้วถ้าไปได้ยินเสียงอื่นในท่านฟังไม่ได้มันผิดไปมันหยากเสียงมันเกิดหยา แล้วเราจะใจเราจะมายินดีตรบนี้เพราะฉะนั้นเป็นไปนเป็นธรรมดาที่ว่าพอเราจเจริญกรรมฐานนะก็ไม่ค่อยชอบสูงส่ ง, สงอะไรกับใครเพราะว่าอารมณ์มันหยาบคําพูดเหล่านั้นเราเราไม่ชอบไม่ชอบที่จะฟังเดี๋ยไม่ใช่เกิดปฏิฆะถ้าเกิดปฏิฆาผิดนะฮะถ้าเกิดปฏิฆานี่แสดงว่าผิดต้องเกิดสงสารผู้พูดผู้เตียงผู้คำหยาบจะมีคริยาการที่หยาด แล้วก็ปรารถนามุ่งอนุเคราะห์ที่ช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากตรงนั้นในข้อที่สามก็รับสั่งถามแนวเดียวกันหมายความว่าไอ้าดพาดของจิต ท, ที่มันประณีตเนี่ยหมายความว่าผลรวมผลรวมของกิเลสที่สงบลึกทำให้กรรมมันละเอียดมากแต่ก็ยังยังยังยังมีกรรมก็ต้องหมุนนี่ยนะ ปฏิสนธิวิญญาณจ้ประณีตไม่ผูกพันแม้ในรูปนะแม้ในรูปเพราะชีวิตของคนในกาลมาวจรภูมิกับรูปวจรภูมิกับมาวจรภูมินะที่จริงเนี่ยรูปวจรภูมิก็ก็ก็ไม่ใส่นั้นปล่อยวางอะไรไปเยอะแล้วนะรูปวจรภูมิเนี่ยแต่กามาวจรภูมินั้นจะติดที่ความสวยงาม รูปสวยเสียงไพเราะกิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนด้จะต้องแล้วก็คขว่คว้าปรารถนายืดแย้งถ้ามีแล้วก็เพลิดเพลินนะฮะเพลิดเพลินในเรื่องตอ น, นั้นฟ้นเทวดาจึางแปลว่าผู้ชี้เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินพวกกินบุญเก่าเหมือนกับลูกของเศรษฐีรับประดกมหาศาลไม่ทำงานอะไรก็หาความสนุกสนานไปเรื่อยปเดี๋ยวเงินก็หมด อื่นก็มัวก็จนเหมือนเดิมมานะะก็จนกลับเหมือนเดิมเรนเทวดาก็ตกนรกได้นะไปจากเทวดาแล้วก็ตกนรกได้ด้วยตรงนี้เมื่อธาตุภายในจิตเป็นประนีตวิญญาณก็ประดิษฐานในภูมิที่ประนีตคืออรู ป, ปรภูมิมันประนีตเอามากจนเลิกจิตรูป ก็อย่างที่เคยเล่าเลยนักปราชญาคนหนึ่งลืมไม่ชื่อเลยอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่มาซิโดเนียแกกรีกนะตอนแกยกมาตีอินเดียเนี่ยแกเป็นลูกศิษย์ของอริโตตันอเล็กซานเดอร์เนี่ยลูกศิษย์อริโตตันเป็นนักปราชญาชอบสนใจศึกษาปราชญ์ก็ไปเจอนักปราชญาก็ไปคุยด้วยนะ ไอ้คุยไดย้เกิดพอใจในความคิดความอ่านก็นักปราชญถามมาท่านต้องการอะไรเนี่ยท้านปราชาจะให้ก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะแกบอกถ้าจะให้ก็ช่วยหลบหน่อยคือไปเล็กสเดินไปยืนบังแสงแดดอะแกหนาวอากาศหนาวแกต้องการพึ่งแดดเฉยๆไปยืนบังแสงแดดก็บอกถ้าจะให้ก็ขอใหหลบหน่อย จะบางแสงแดดไม่ต้องการอะไรเลยเห็นไหมไ ม, ไม่ติดละในในส่วนอี้นั่นคือจิตจิตบันยกขึ้นสูงแล้วจะไม่ติดในวัตถุที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับ น, นกที่บินไปด้วยปีกทั้งสองข้างเกาะที่ไหนก็ไม่ทิ้งรอยนะแล้วก็ไม่มีเยื่อใยอะไรถึงท่าจะบินก็บินไปนั้นแสดงว่าใจมันมั น, ม, นมันพัฒนาขึ้นไปเยอะปะนิขึ้นไปเยอะ พวกอรูปฌานจึงอยู่นานนานเหลือเกินนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่ยอมเป็นสองอย่างนะอสัญญีสัตตานะไม่ยอมเป็นพวกนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ยอมเป็นเนะสียเวลาเสียเวลาในการสร้างบารมีแต่ว่าพระพุทธเจ้าสมมติว่เกิดเป็นขึ้นม า, ท, น ท, นาท่านทานอธิษฐานได้นะฮะ ท, ท่านอธิษฐานเพื่อเพื่อจุติได้ บารมีแรงพอที่จะทิ่ฐาให้จุติได้ขอจุติก็จุติได้ปัถนาจะจุติเพราะงั้นมั น, ม, น, ม, นมันเวลาต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระหานของเราสองรูปอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมดอายุที่อยู่บนสวรรค์แต่ต้องจุติลงมาช่วยโลกมนุษย์ก็คื อ, คอพระนาคเกษมกับพระโมคขลิบุตร พวนี้เป็นเทพประวุตนะฮะทั้งคู่พระอรหันในสังขารนาครั้งที่สองเห็นอันตรายว่าจะเกิดขึ้นแก่ศาสนาหลังจากนี้ไ ป, ปร้อยกว่าปีาไม่ใช่ครั้งที่สองใช่เห็นว่าอันอันตรายจะเกิดขึ้นแก่พระศาสนาแล้วหาคนเกิดในยุคนั้นไม่มีถ้าให้โลกมันอยู่ปกติไม่มีคนเกิดมาเคนดีๆมันจะเกิดง่ายนะพูดไปเล่นไป เราจะเห็นว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะศาสนาพุทธในเมืองไทยถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระจอมกล้สมเด็จพระรามนะเกิดขึ้นมาเนี่ยศาสนาพุทธเละหมดแล้วไปหายเข้าป่าไปเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้นะฮะเมื่อก็มีคนเนี่ยเกิดมาแก้ปัญหาศาสนาตนนี้ได้ก็จึงถือว่าเป็นมหาเทพ มีเทพมาเหสะคือเทพที่มีเดชาโนภาพฟังจุติมาแก้ปัญหาแล้วคนพวกนี้อายุจะไม่ยืดนลองดูแต่พระนเรศวรพระเจ้าตากสิลปนันในลานหพวกนี้พระชนไม่ยืดนั้นทำแก้ปัญหาเสร็จท่านก็กลับแตท่านไม่อยู่ท่านท่านท่านไม่ใช่จําเป็นต้องมาเกิดโดยสภาท่านจุติมาเฉยมันจุติไม่ใช่แก้ปัญหาให้แก่โลกท่านนั้นเองพระนาคศีลเป็นเทพประบุจุติ ยังไม่หมดอายุหรอกแล้วก็สามารถที่จะไปเกิดต่อบนสวรรค์ชั้นสูงได้ประบุญแยบบุญแยบบงกันแล้วแต่พริกชายพริกชายในทางเกิดหรือพริกชายในทางที่จะดับพริกชาตนิพ่่านก็ะด้าก็ลงมาเกิดสร้างบารมีบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นกระหันรเร็วมากทั้งคู่นะเร็วมากแม้จะเติบโตในสกุลมิจฉาทิฐิครอบครัวเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ลูกแหวกก็มาได้ ลูกบรรลุมรรคผลเป็นพระหันได้นั่นก็แสดงว่าพวกนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะว่าบุญเขาแยะมันเหมือนเกษตรีนึกจะพักโรงแรมไหนก็ได้นึกจะกินอะไรก็ได้แต่ถ้าคนจนแลวมันบีบทั้งที่กินที่อยู่เสื้อผ้าอาหารมันบีบหมดเลยเป็นเรื่องตามชอบใจไม่ได้ เพราะบุญก็อุปมาได้มันก็เงินก็พอมันก็ความรู้คนความรู้มากๆ ก, ก็สามารถเลือกงานได้ทำงานในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้มีคนเสนองานเยะแยะแย่งกันประมูลตัวกันด้วยแต่แต่ความรู้ยิ่งน้อยมันยิ่งบีบบีบตัวเองไปเรื่อยๆความรู้น้อยบุญน้อยทรัพย์น้อยจะบีบตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนๆกัน ในแนวเดียวกันแต่พวกนี้เป็นรูปวัตถุมันคิดง่ายนะดูง่ายกว่านี่เป็นการแสดงถึงสังสารวัตรแต่แสดงในเชิงของเหตุผลพูดแบบปรัชญาไม่ได้ไม่ได้พูดแบบแบบธรรมดาผู้บบชาวบ้านธรรมดาแต่ว่ามันมามันจะเกิดถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ ม, มีที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมาเป็นอย่างนี้ ดูที่ปลายว่าทําไมจึงเกิดเป็ น, เ ป, นเป็นอรูปประพรมก็เพราะจิตท่านประณีตจิตประนี้ประมาจากอะไรมาจากการเจริญสมาธิศีนสมาธิสมาธิท่านได้ถึงอรูปฌานส ง, งบกิเลสหมดเลยอยู่ข้างนอกนี่ไม่มีกิเลสอะไรก็ตามภาพไม่ยั่วยว ด, ยวดแรงแดงไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าแรงแดงก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะท่านไม่ใช่พระพระบุคคล เราจึงพบฤาษีขนาดฤาษีก็กไล่โกดนะที่ดังมหาศาลมากเนี่ยฤาษีก็ไล่โกดรประกฏในคำพยียังเสื่อมยังเสื่อมจากฌานได้แต่ถ้าฌานท่านไม่เสื่อมเนี่ยแสดงว่าจิตท่านประณีตเพราะแนวฤาษีจึงเป็นแนวที่ต้องหลีกเล้นจากการรับอารมณ์จากการเกี่ยวข้องกับสังคม ฤษีต้องอยู่ในป่านะไปดูรูปสวยๆสวยเสียงไพเราะถีนอมหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องไม่ได้นะ <c oughs> บางทีลออโดยอาหารอร่อยถ้ก็เกร็จแล้ว <c oughs> ต้องอยู่ป่าต้งกินในผลไม้ <c oughs> กินในผลไม้พระลอดโดยอาหารอร่อยติดติ ด, ตดอาหารจะแล้วนะอยู่บ้านนะประเดี๋ยวก็เพื่อนก็จับศึกเจ้าอย่างที่เคยเล่ายางฟังนะพระกรรมฐานก็เดินมาเ <c oughs> มื่อประมาณสัก เกือบสามสิบปีที่แล้วนะฮะเดินมาจากภาคใต้แต่จริงพระทุกส่วนของประเทศนะไปตั้งต้นมาจากภาคใต้เดินมาต้องร่วมสนีะ่ร้อนะนั่นสี่ร้อยเดินเนี้ยมามาพักมพักแสดงธรรมอยู่ที่เนี่ยที่วัดเทพทิดาแล้วก็ไปพักอยู่ที่สวนจตุจกักรแล้วก็เดินขึ้นทางเหนื อ, อทางเหนือพอลงมาเหลือไม่กี่รูปอะ เมื่อวานเนี่ยมาก็ไปที่วัดของพวกชุดนั้นที้องค์นี่อิสระอุรีท่ามันหายไปไหนหมดอะเออชุดนั้นข่าวว่าผู้หญิงแถวสารพีเาบาตไปทําร่างกายเกือบหมดเลยกรรมฐานแตกกรรมฐานแตกก็แยกนั่งกรรมฐานเน่ยนะแยกนั่งกรรมฐานผู้หญิงก็ไปประกบทีละองค์ทีลองค์เสร็จแต่อาจารย์รูปนี้เลิกเดินจงกรมตั้งแต่วันนั้นจนเดี๋ยวนี้นะไม่เคยไปเลย จะไสร้างวัดอยู่แถวสุพรรณอันนี้ก็คือคือคือโลกมันเป็นอย่างเงี้ยดัางาั้นต้องหลีกนะฮะต้องหลีกเพราะจะอ่อนแอมากอ่อนแอกับอารมณ์มากมากมันเหมือนกับคนที่ยืนคร่อมคร่อมคูคร่อมรางน้ําอะไรแต่ไหนเราเห็นว่าการทรงตัวไม่เดีอะหลักที่เดียวก็ล้มมฮะ ตัที่ยืนขาคล่อมขาคล่อมคูอะไรแค่แค่แบบนั้นฝนะักตีเดียวก็ล้มเพราะ ง, งั้นพวกตรงนี้ที่จริงไม่แข็งแรงเราจิตอะแต่ว่าท่านต้องหนีไม่ประทะหนีไม่ประทะคือหลบไปอยู่ตามป่าตามทํตาตามเขาไม่เห็นได้คนนะไม่เห็นคนเห็นได้ต้นไม้เห็นได้สัตว์ไม่มีอารมณ์กระุ้นแล้วก็อยู่กันท่านได้แต่ถ้าออกมาป่าแล้วส่วนมากไม่เหลือกลับไปกี่องค์หรอ พระพุทธเจ้าท่านก็เจอตรงนี้มาแล้วนะสำนักอาลาดาบุตรทกดาบุต ร, ต ร, รพรเจ้าก็เจอมาแล้วไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันพระเจ้าดูที่พระไทยของพระองค์ว่ามันไม่จริงอะ่ะไม่แน่จริงอะ่ะมันส ง, งบเฉยๆแต่โดนยั่วยวนขามานี่เอาไม่อยู่เพราะฉั้นพระองค์จึงเลิกอยู่ในสํานักอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองของพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดเป็นอรูปขพระอค ท, ทั้งคู่กันแหละนะฮะแต่ได้สมาบัติเจ็ดกับสมาบัติแป แต่ได้สบายเลยแต่พระเจ้าจบอกว่าประสบความสูญเสียอย่างแรงเพราะขาดโอกาสที่จะฟังธรรมะแล้วก็บนรลุมรคนเป็นระยะบุคคลเนี่ยชีวิตท่านยังเสี่ยงในทั้งสาระวัตรเพราะฉะนั้นชีวิตของเราแม้ในแต่ละขณะแต่ละขณะว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเป็นยังไง เราจะเป็นคนดีเป็นคนชั่วอย่างที่บอกว่าคนดีๆเนี่ยศกกระเป๋าก็ทีเดียวก็เป็นขโมยละปล่อยก็ทีเดียวก็เป็นคนประทุษร้ายร่างกายก็หนึ่งแล้วยิงก็ทีเดียวก็เป็นฆาตากรละมันเกิดขึ้นมาจากขณะจิตที่คิดขณะจิตที่คิดนะทำให้ตรงนั้นเนี่ยกรรมมันอยากเพราะกิเลสมันยากกรรมอยากจิตวิญญาณมันก็อยากมันทำอะไรอยาก มันไม่อยู่นานหรอกไม่ได้อยู่นานแต่ว่าทำไปแล้วทำไปแล้วมันก็กลายเป็นการรับผลกรรมเดี๋ยวก็ต้องอยู่นานเพรา ะ, ะนนคนที่ตกนรกอะไรต่ออะไรจริงๆไม่ใช่บาปแกทำนานอะไรนั่งหนานี่ไม่สโลโมชันอะไรหรอกก็ทำเปี้ยงลงไปมันก็ขี้เกียจตกนรกแหละเพราะฉะนั้นการศึกษาการปฏิบัติเนี่ย จึงมองไปในแนวตัดต้นเหตุอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของเหตุแนวนี้คือแนวลดความรุนแรงของเหตุหมายความทำทำยังไงให้ตัววิญญาณธาตุตัวเนี้ยมันไม่หยาบอะไรทําให้ตัววิญญาณธาตุหยาบคือกิเลสกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตทาให้จิตเราหยาบนะลองลองดูความโกรธเกิดขึ้นกระทำให้จิตหยาบความโลภเกิดขึ้นกระทำให้จิตหยาบความหลงเกิดขึ้นกระทำให้จิตหยาบ ปฏิโกงง่ายไม่น่าเชื่อไปนั่งถูก้อนหินขอหวยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทําไม่ได้นะคือแสดงโง่มากๆเลยขอหินก็หวยไปไปขอหวยก็หินหินมันพูดได้ที่ไหนอเออก็นั่งพูดอยู่ได้นะกับกั้อนหินเปน็นเอามากๆเห็นก็มามาเกิดโลภมากเกิดหลงมากนะเดี๋ยวไปเตือนไม่ได้นะโกรธนะ ไม่ได้เดี๋ยเกิโดโกรธเพราะจริงๆกิเลสมันอัดกันขึ้นมาหมดเลยทั้งโลกบนโลกเพราะงั้นกรรมตึงราะตึงอยากแล้วก็จิตวิญญาณก็อยการปฏิบัติของเราแม้ทุกขณะเนี่ยต้องการตรงนี้เพื่อให้ภูมิจิตเนี่ยมันอยู่สูงอย่างน้อยภูมิจิตอยู่ระดับกลางๆลางก็เรียกว่ภูมิจิตภูมิธรรมภูมิฐานนะถ้าภูมิจิตดีภูมิธรรมก็ต้องสูง ภูมิฐานก็ดีมีสง่าราศีมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่หวาดวิตกกลองวลไม่หลอกแหลกเลิกหลั ก, ลกละอะไรเนี่ยนี่ก็อยู่ที่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมทาให้เกิดอาการภูมิฐาน ม, มีความมุ่งหามาดเป็นความกระหายมีความเชื่อมัน่นเราจึงดูได้จากช่วงสั้นๆ น, นิดๆไปจนถึงช่วงเยียดยาวไปเป็นพบเป็นชาติเป็นทั้งสารวัตรได้แต่อิทธิพลจริ ง, รงๆมันก็อยู่ที่กิเลสกับกรรม นะตัวสร้างวิญญาณขึ้นมาให้เลวให้กลางให้ประณีตนะฮะขึ้นดูกับปริมาณการลดการเพิ่มของกิเลสการลดการเพิ่มของกรรมนะที่จริงตัวการใหญ่ก็อยู่ที่กิเลสนะสมัครวันนี้ก็ข อ, อยึติไว้ในเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกรามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี